สองร้อยสิบสองบัตรนี้ทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรไปยังกลุ่มของเชษฐาที่พากันยืนนิ่งอยู่เมื่อนั้นเชษฐาในฐานะหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยก็ก้าวออกมากล่าวคำกราบบังคมทูลลาสั้นๆจักรราชและเมยานีก้มเสียนลงรับอย่างสงบพยายามสะกดกลั้นพระอารมณ์บางสิ่งบางอย่างไว้ สีพระพักยิ่งเผือดสลดโดยเฉพาะองค์จักรราคนต่อไปคืออนุชาและเมื่อถึงชัยยันทั้งสองพระองค์ทรงรับสั่งแผ่วเบาว่าขอฝากความระลึกถึงของข้าไปยังมาเรียและบุตรที่เกิดใหม่ของเธอด้วยนะดารินกับระพินเป็นคู่สุดท้ายที่ยังยืนอยู่ในแถว หญิงสาวเป็นฝ่ายสะกิดแขนเขาให้เข้าไปทูลลาก่อนระพินจึงก้าวออกมาด้วยอาการเรียบๆปกติของเขาและมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าขององค์ประมุขแห่งมรกฎนครทั้งคู่ทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งสองฝ่ายต่างก็ตระหนักแน่แก่ใจกันดีอยู่แล้ว เอวังจึงมีด้วยประการชนนี้พระเจ้าค่ะจักรราษแย้มโอดออกน้อยๆสะึกอั้นปันพระไทยอยู่เป็นครูใหญ่แล้วพยักพระพักใช่เอวังก็มีด้วยประการชนนี้ขอพี่ชายของข้าจงประสมแต่ความสุขชั่วนิรันดร์การ แล้วเราก็จะไม่พบกันอีกแล้วตลอดไปแม้กระทั่งทางกระแสดวงจิตเช่นนั้นเลยพระเจ้าค่ะถูกต้องเราจะไม่พบกันอีกแม้แต่ในกระแสจิตหรือในความฝันนอกจากความระลึกถึงกันเท่านั้น ภารกิจทุกด้านของท่านเสร็จสิ้นลงแล้วภารกิจของข้าก็เสร็จสิ้นลงเช่นกันสวรรค์เมืองบนทรงทราบดีลาก่อนพี่ชายที่รักของข้าระพินยืนนิ่งคอแข็งน้ำตาสึง่งจกกักราธิราชเจ้าก็ทรงอยู่ในพระอาการเดียวกัน แง่ทายทำไมแกไม่เข้ามากอดผู้กองของแกไว้ล่ะอีกฝ่ายหนึ่งสั่นเสียงแช่มช้าน้ำพระสุรเสียงเครือไม่ละครับอย่าให้ผมต้องมีน้ำตาให้เหล่าทหารหารของผมทั้งหลายได้เห็นเลยเชิญผู้กองได้แล้วครับ ระพินเอาหลังนิ้วเช็ดที่ขอบตาด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วชิดเท้าตรงวันทยาหัดแล้วถอยหลังเข้าไปในแถวดารินคนสุดท้ายเป็นผู้ที่ก้าวเข้ามาถอนสายบัวให้แก่ทั้งสองพระองค์ทุลาแล้วไปค่ะมหาราช และมหาราชินีทั้งสองพระองค์ขอให้ทรงพระเจริญและอยู่ในไอสูนสมบัติภายใต้มหาสเสวตชัตปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้เป็นสุขร่มเย็นไปช่วกฟ้าดินหม่อมฉันจะไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในมรกรนครแห่งนี้ตราบชีวิตหาไม่เพคะ จักรราตเม้มโอดแน่นขมความรู้สึกภายในส่วนราชินีเมยานีมีน้ำพระเนตรเริ่มไหลเป็นทางเผือพระองค์ผูเขากอดดารินไว้เต็มอ้อมทรงอุทานออกมาว่าพี่หญิงเมญานีไม่อยากให้พี่หญิงจากเมยานีไปเลย พระเจ้ากรุงมรกฎนครดำรัดเรียกพระนามของราชินีด้วยสุรเสียงแผ่วต่ำเหมือนเป็นการให้สติเมื่อนั้นเมยานีจึงพละออกจากอ้อมกอดของดารินพระองค์ได้เสด็จเข้ามาใกล้ดาริงแล้วตรัสแผ่วเบาว่าพี่สาวครับ ขอฝากระพินไพรวันไว้กับพี่สาวด้วยนะครับขอให้สวัสดีมิชัยครับดารินเองก็ร้องไห้ก้มหน้าหักใจถอยเข้าไปประจำอยู่ในแถวเมื่อนั้นระพินไพยวันก็ก้าวล้ำออกมาเล็กน้อยและร้องสั่งทุกคนด้วยเสียงอันดังก้องว่า ทั้งหมดวันท ย, ยาวุธเสียงอาวุธปืนทั้งสาิบหกระบอกพรึบพรับพร้อมกันตั้งปากลำกล้องตรงขึ้นไปบนอากาศแล้วเสียงที่เป่งออกมาพร้อมกันว่าขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานจักรราชยืดพระองค์ตรงขึ้น ข่มเอื่นตะโกนก้องตอบขอให้เหล่ า, าท่านเดินาทางโดยสวัสดีภาพทุ ก, ทกคนระพินสั่งเรีย บ, ยบวุฒและคำสั่งสุดท้ายของเขาก็คือกลับหลังหันห น, หน้าเดินบขบวนทั้งหมด ก็เริ่มเคลื่อนที่ลงไปตามพื้นเอียงลาดของถนนกึ่งกลางนั้นโดยทันทีท่ามกลางความเงียบสงบได้ยินแต่เสียงฝีเท้าเคลื่อนไหวและหีบห่อสัมภาระที่แว่งกระทบแทรกเล็ดลอดออกมาจากเสียงเหล่านั้นก็คือเสียงเะอื่นเบาๆของดารินหล่อนเดินก้มหน้า โดยไม่เลี้ยวกลับขึ้นไปมองบนถนนนั้นอีกเลยในช่วงระยะก่อนที่จะถึงตะพักจุดกึ่งกลางซึ่งทุกคนกำลังไต่กันลงมานานอินและบุญคำเดินนำไปเบื้องหน้าต่อมาก็เป็นขบวนลูกหาบทั้งยี่สิบคนและเกิดเสยจัน์กับขยิมที่คอยขนาบดูแลเป็นพี่เลี้ยงพวกลูกหาบเหล่านั้นเพราะหนทางชัน ฝ่ายอเมริกันเดินรวมหมู่กันถัดมาและชุดที่อยู่หลังสุดเป็นชุดของเชษฐาราพินซึ่งล้าหลังกว่าทุกคนได้เดินเข้ามาประคองพัญญายอดรักของเขาไว้แล้วกระซิบปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาให้หัดข่มใจลงซะเมื่อทั้งขบวนสามสิบหกชีวิตได้ลงมาถึงตับพักชั้นแรก อันใช้เวลานานประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงและพากันแงงเงยขึ้นไปบนถนนเบื้องบนก็มองเห็นจักรราชเมยานียืนมาอยู่ริมขอบถนนอันมีลักษณะเหมือนหน้าผาสูงลิบนั้นโบกปลายหอกอยู่ไปมาทุกคนหยุดอีกครั้งพากันโบกมือตอบแล้วชั่วขณะจิตหนึ่งภาพที่เห็นอยู่เบื้องบน ก็หายพ้นไปจากสายตาของฝ่ายข้างล่างเหมือนจะรู้ใจฝ่ายเบื้องล่างว่าหากยังยืนมาเฝ้าจับมองอยู่เช่นนั้นก็จะเกิดอาการพาวักพวนจึงชักมาให้ถอยหลบพ้นสายตาออกไปซะเพื่อเปิดโอกาสให้คณะเดินทางทั้งหมดรุดหน้าต่อไปตามทิศทางแต่ในโสตประสาทของทุกคน ยังไม่ได้แววเสียงฝีเท้ามาทั้งกองทัพยังถนนด้านบนเคลื่อนไหวผละไปแต่อย่างใดทั้งสิ้นเดินต่ออย่าเสียเวลาลวเวลาของเราทั้งหมดในมรกรกนครหมดสิ้นลงเพียงแค่นี้แล้ ว, ลวเราทุกคนกำลังจะกลับบ้านกำลังจะกลับลออกไปเผชิญชีวิตยังลโลกภายนอกตามเดิม เสียงระพินไพรวันตะโกนก้องเตือนสติทุกคนออกไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มที่ทุกคนไม่ได้เลี้ยวกลับมาดูหลังอีกเลยต่างเคลื่อนลงไปตามลำดับนั้นตะพักแล้วตะพักล้วที่ผ่านพ้นกันมาและแล้วพอตะวันบ่ายเบนไปเล็กน้อย ต่างก็มาหยุดกันบนยอดเขาอันมีระดับต่ำลงมาลูกหนึ่งโอกาสนี้เองทุกคนจึงมีเวลาที่จะหันกลับขึ้นไปมองยังทิศทางที่ตนได้พละจากมาแล้วนั้นแล้วพากันเบิกตากว้างตะลึงงันกันไปอีกยกเว้นรพินคนเดียวซึ่งอยู่ในอาการปกติที่สุด แต่ดูดบุรีลึกจนแก้มตอตำแหน่งอันเป็นถนนพระศิวะที่ทุกคนจาได้นั้นบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปซะและ้วไม่มีวี่แววเขาเงื่อนให้เห็นอีกเลยว่าบนยอดสูงของทิวเขาลิบลิบขึ้นไปนั้นคือตำแหน่งของถนนสายยาวเยียดที่จะมุ่งไปสู่มรกตนคร มันเป็นแต่เพียงเงาตะคุ่มเลือนๆลางๆอยู่ในกลุ่มหมอกที่ปกคลุมเต็มไปหมดทำให้ไม่สามารถจะสังเกตเห็นสิ่งใดได้อีกเลยยะว่าแต่จะเหลียวแลขึ้นไปเห็นกองทัพของมรกฎนครที่มาทรงเลยแม้แต่สันฐานรูปทรงของเนินที่จะไต่ขึ้นไปสู่ถนน<อ>ก็ได้อันตรธานไปจากลักษณะเดิมเส่นแล้วโอ้กอด อะไรกันนี่ตำแหน่งอันเป็นถนนประสิวะหายไปไหนแล้วสตาลีร้องออกมาด้วยเสียงหนักๆยกมือขึ้นขยี้ตาเท่านั้นยังไม่พอปุตสาหคว้ากล้องสองทางไกลขึ้นมาจับภาพแต่มันก็ไม่ช่วยประโยชน์อะไรขึ้นมาได้เลยเขาเห็นแต่เพียงหมู่เมฆละอองหมอกเท่านั้นเราเดินกันมาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้น หรือจะ ก, กว่านั้นก็เล็กน้อยแล้วเดินลงมาตลอดไม่ได้เลี้ยวรถคดเคี้ยวไปในทิศทางไหนเลยทำไมอ่ะทำไมเวลาหันกลับขึ้นไปมองที่เกามันถึงได้เปลี่ยนลักษณะไปหมดแล้วถึงขนาดนี้คิดอุทานขึ้นมาอีกคนผิวปากยาวยกมือขึ้นขยี้ตาเบลและเชิญบุ๊ดเองก็อ้าปากค้างส่วนคริสติน่ามีอาการปกติ ไม่ได้สนใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นนั้นแม้แต่น้อยเหมือนเมือนกับฝ่ายของเชษฐาทุกคนแล้วรพิ์ก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผวตำกับทุกคนว่าเอาละเราเริ่มพ้นออกจากรัศมีของแดนสนธยาที่เปรียบเหมือนฝันไปนั่นละผมอยากจะขอร้องให้ทุกคนตั้งเวลาของนาฬิกาประจำตัวได้เวลาขณะ น, นี้ประมาณบ่ายโมงครึง่ง ถึงบ่ายโมงสามสิบห้านาทีจะขาดเกินก็คงไม่มากกว่าห้านาทีแล้วครับขณะที่บอกเขาเงยหน้าขึ้นมองดูดวงตะวันพร้อมกับสูดลมหายใจลึกและขณะนั้นเองก็มีเสียงเอะอะประหลาดใจดังมาจากฝ่ายอเมริกันอีกครั้งทุกคนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูและต่างบอกกันแซดว่านาฬิกาของตนเองได้เริ่มเดินแล้ว แต่มันเริ่มเดินเอาตั้งแต่เวลาที่มันหยุดไปซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในขณะนี้สิ่งทุกคนตต่ถามแซดว่าจะให้ตั้งเวลาเท่าไหร่กันแน่รพินบอกให้ทั้งหมดตั้งเวลาไว้ให้ตรงกันทุกคนคือสิบสามจสามศูนย์นาฬิกาต่างจึงหมุนเข็มนาฬิการพินและนี่แต่เราเดินย้อนทางกลับขึ้นไปเส้นเดียวกับที่เราลงมานี่ เราจะพบกับถนนพระศิวะตำแหน่งกงกลางที่เราอำลาจากจักรราชและราชนีเมยานีไหมเนี่ยสมมติว่าเราจะร้อนย้อนกลับไปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะเราจะย้อนกลับได้ไหมสแตลลีร้องถามขึ้นผมเกรงว่าเราจะทำไม่ได้นะครับมันอาจจะมีขุนเขาอีกนับหลายร้อยลูกพลุขึ้นมาปิดบังขวางหน้าเราไว้ขณะที่เราเดินทางมานะ่ะจักรราช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 เอาวิทยุรับส่งประจำตัวของทุกคนขึ้นมาตรวจสอบสภาพเครื่องด้วยนะครับว่ามันเริ่มรับส่งได้แล้วหรือยังสาหรับวิทยุมือถือทั้งฝ่ายเมริกันและฝ่ายของเชษฐางัดเอาวิทยุประจำตัวของแต่ละคนที่เก็บไว้ในเครื่องหลังโดยไม่ได้สนใจอีกเลยนับตั้งแต่เหยียบย่างเข้าสู่มรกรกนครขึ้นมาเปิดเพื่อทดสอบแบตเตอรี่และการรับคลื่ ความมหาัจจันท์ก็พลันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งทุกเครื่องของทั้งสองฝ่ายที่บอดสนิทราวกับไม่มีแบตเตอรี่นั้นส่งเสียงสัญญาณออกคลื่นอากาศขึ้นมาในทันทีอเมริกันทุกคนแทบกระโดดตัวลอยฮูเร่กันขึ้นลั่นไปหมดรระพินตรวจเช็คข่ายและพลังรับส่งของฝ่ายเชษฐาโดยการช่วยเหลือเข้ามาตรวจดูด้วยของคิดชั่วไม่นาน ก็สามารถที่จะปรับคลื่นความถี่ในการรับส่งให้เข้ามาอยู่ในขายเดียวกันเพราะสภาพของตัวเครื่องรับส่งมือถือแม้จะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันก็มีส่วนของขายความถี่คลื่นอันสามารถสแกนปรับให้รับส่งซึ่งกันและกันได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนะักเขาสั่งให้ทุกคนพักและรับประทานอาหารเที่ยงวันกันยังตำแหน่งใต้ต้นสนภูเขาอันร่มรืม่น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 หันมาพูดกระเชษฐาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกได้ถูกครับก็คิดซะว่าเราฝันไปก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างในมรกรนครหรือแม้ครั้งสุดท้ายทุกคำพูดทุกอิริยาบถท่าทีของจักรราษและราชินีเมยานียังติดตาและเสียงของพระองค์ก็ยังแว่วอยู่ในโสดปราสาสในขณะนี้ เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเราได้ตื่นฟื้นขึ้นจากความฝันอย่างนั้นแหละเบลเอ่ยขึ้นแล้วหันมาถามคริสติน่าว่าเธอคิดไงคริสแม่ผมทองสั่นศีรษะชะ้าๆยิ้มให้ขรึมๆก็ครูรพินก็บอกกับพวกเราแล้วไม่ใช่เหรอว่าบัตรนี้เราได้ล่วงพ้นออกมาจากแผ่นดินประหลาดนั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงเหมือนกับว่าเราได้ฝันไป ฉันขอคำมั่นสัญญาจากอาจารย์และพวกเราทุกคนอีกครั้งนะประโยคหลังหลอนหันไปพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งจริงจังกับสเตลลีอะไรหรอคริสเราจะไม่ลืมในสิ่งที่เราได้พบเห็นทุกอย่างแต่เราจะไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นอย่างที่เราตกลงกันไว้ก่อนแนละ้วโดยเฉพาะนครประหลาดในความลี้ลับ แล้วก็ซากเครื่องตกตาลีหันไปทางยอดขุนเขาอันปกคลุมอยู่ด้วยม่านหมอกนั้นอีกครั้งถอนใจเฮือกรับออกมาด้วยเสียงห้าวต่ำของเขาว่าแน่นอนมันไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับเราเลยในการที่จะไปเล่านิทานให้ใครฟังทั้งที่เราประสบพบเห็นมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด นั่นน่ะเป็นความคิดที่ดีที่สุดแล้วล่ะสำหรับพวกคุณชยันและอนุชาบอกกับพวกนั้นเราหลุดออกมาจากดินแดนประหลาดนั่นแล้วเธอยังมีความคิดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าละ่ะคริสสเตอลี่หันไปถามแม่นักเคมีฟิสิกสาวผู้บัตดนี้กลายสภาพเป็นผู้สงบสงเ่ียมที่สุดฉันหลุดพ้นออกมาจากแดนสุนทยานั่นแล้วค่ะยัน แต่จะไม่มีวันหลุดพ้นจากคำสั่งสอนขององค์จักรราษเลยและปณิธานของชันที่เคยตั้งมั่นไว้ยังไงก็จะยังเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ค่ะระยะเวลาระหว่างการพักรับประทานอาหารกันเพียงเพื่อรองท้องและพักชั่วระยะสั้นๆนี้ระพินขอร้องให้คิดเอาวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ออกมาตรวจทดสอบดูอีกครั้ง แต่ก็ปรากฏว่ามันยังคงไม่ทำงานอยู่เช่นเดิมต่างกับวิทยุมือถือเล็กๆที่มีติดตัวกันอยู่ฉันก็บอกนายกับทุกคนแล้วว่ามันพังไปแล้วไม่รู้จะขนมาทำไมให้มันหนักหรอเปล่าคิดบอรอู่อีแต่วิทยุชันเลิ์นั่นโครมเขาให้แต่รพินบอกยิ้มๆอย่างมั่นใจว่าเห็นนะมันไม่เสียหรอกคิดฉันเชื่อแน่ว่ามันจะต้องทางานได้อีกครั้ง ขอราพ้นรัศมีจากที่นี่ออกไปให้ห่างหน่อยเท่านั้นแหละทนายทิ้งมันไปใช่นายก็โง่แต่ห่างระยะทางที่ฉันจะนําพวกนายออกไปในคราวนี้มันจะเป็นระยะที่ย่นหนทางมากทีเดียวผิดกับเมื่อขามานักจักรราําแผนที่ให้แนวทางเดินแก่ฉันแล้วแล้วก็เชื่อด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางอยู่นี่พระองค์ก็คงเข้าสมาธิเพื่อเปิดทางให้แก่พวกเรา เพื่อต่างฝ่ายต่างจะได้กลับถึงบ้านโดยเร็วที่สุดคุณเชื่ออย่างนั้นเหรอระพินสเตลีถามขึ้นอย่างตื่นเต้นครับสังหรนหรือประสาทสัมผัสของผมไม่เคยผิดนะครับเอาล่ะเราจะไม่ยอมเสียเวลาเลยแม้แต่น้อยพอกินอาหารกันเสร็จเราก็จะออกเดินทางต่อนะครับตลอดระยะเวลาอีกครึ่งวันที่เหลือ คณะต่างเดินทางในลักษณะเดินบ่ายหน้าลงเขาหรือลงจากที่ราบสูงต่างระดับต่างชันกันมาทุกระยะแต่ก็ไม่มีเส้นทางใดที่จะต้องถึงกัะปีนป่ากันลงไปเลยเพราะหนทางที่กระพีนนำบ่ายหน้าไปนั้นอย่างชันมากที่สุดก็เอียงเทลาดประมาณส5าองศาเท่านั้นพื้นภูมิประเทศเป็นหญ้านุ่มและสนภูเขานานาพัน ขึ้นแวดล้อมบดบังไว้รอบด้านบางมุมที่ป่าสนเหล่านั้นบางตาไปก็จะแลเห็นทิวเขาล้อมรอบทิศไปหมดปัดกระหมู่เมฆที่ลอยอยู่เตี้ยเตี้ยและส่วนมากมักจะลอยต่ำกว่าระดับยอดเขาสูงสูงต่ำๆ่ที่มองเห็นแม้จะเป็นกองคาราวานของคนหมู่มากถึงส6ชีวิตแต่ทว่า แต่ละคนก็พากันเดินไปอย่างเงียบเชียบสงบที่สุดท่ามกลางบรรยากาศอันสงบระพินนั้นเดินร่วมอยู่กับคณะเจ้านายเก่าและเจ้านายใหม่ของเขาทั้งสองคณะโดยไม่ได้แยกตัวออกไปเดินนำหน้าเหมือนเช่นทุกครั้งคงปล่อยหน้าที่ในการนำทางให้แก่บุญคาและนานอินอันเดินอยู่คู่กันนานๆครั้งเมื่อเกิดอาการลังเลทั้งบุญคาและนานอิน ก็เหลียวกลับมองดูคณะเจ้านายทั้งหมดอีกครั้งถ้ายังอยู่ไม่ห่างไกลกันนักจองพรานก็จะใช้วิธีชี้มือกำหนดทิศทางให้ซึ่งทั้งสองก็เข้าใจในอาการตีมือเป็นสัญญาณของเขาเป็นอย่างดีและถ้าเวลาใดที่ทั้งสองเดินรุดหน้านาห่างไกลออกไปก็จะถามกลับมาโดยทางวิทยุมือถือซึ่งทั้งบุญคำและนานอินก็มีกันอยู่คนละเครื่อง ที่ได้รับมอบหมายไว้ให้เครื่องของบุญคานะ่ะเป็นเครื่องของฝ่ายมริกันส่วนเครื่องของนานอินเป็นเครื่องของฝ่ายเชิดถาบางเวลาเสียงตะเท่าบุญคาร้องเพลงทะลึ่งทะลึ่งของแกดังออกมาจากลำโพงวิทยุของระพินทำให้ดารินซึ่งเดินเคียงอยู่ใกล้ๆสามีของหลอนและคณะฝ่ายไทยทั้งหมดพากันหูเราะออกมาได้ เสียงพูดเป็นทานองของแกแทนความหมายถามมายังพลานใหญ่นั่นเองชะตงเตงเอ้ยว่าชะต่องแตงขุนทางมันสองแพร่งเราจะไปทางไหนดีเฮ่อรพินหัวรอฮือฮือือระหว่างที่ทุกคนปล่อยกากออกมาเป็นครั้งแรกเขายกมือขึ้นยกวิทยุในมือขึ้นกรอกคำสั่งออกไป มุ่งตะวันตกตลอดจนกว่าตะวันจะรับสันเขาสำหรับวันนี้ไม่ต้องแยกซ้ายหรือแยกขวาอะไรทั้งนั้นแหละตรงไปข้างหน้าบุญคำนะันมีเหวอยู่บ่อบเบ้อเลยนายจใจเดินตรงลงเหวด้วยไงเสียงแกถามมาอีกไม่มีเหวบนพื้นที่ราบสูงหรอกนั่นคือหลุมกาบาด เป้าหมายแรกของเราถ้าไม่รู้จักเดินอ้อมจะไต่ลงหลุมมู ก, กาบาดให้กลิ้งลงไปคอหักก็ตามใจดิอย่าแกล้งถามโ ง, ง, ง่ๆไหมเสียเวลาดิตะคำตกลงไอ้คำก็ปีอินจะเดินอ้อมออกซ้ายมือนี่ก่อนนะพอพ้นหลุมแล้วค่อยมุ่งตะวันตกต่อไปว่าแต่นายเธอขึ้นมาเดินน้ำดีกว่านะ ไปเดินรวมกลุ่มอยู่กับพวกเจ้านายเขาทำไมาอ้าวดูดิดูดกระเกียงผมดิครับระพินหันมาบอกดารินกับเจ้านายของเขาทุกคนอันทำให้ทั้งหมดของฝ่ายเชดิดาหัวเราะขึ้นอีกทาให้เกิดอาการคลึกครื่นกันขึ้นเล็ ก, ลกนๆน้อยๆภายหลังจากที่เดินเงียบขึมกันมาเป็นเวลาช้านานดารินยกวิทยุของหล่อนขึ้นกดคีย์บุญคาขลับนายหญิง ตอนนี้พรานใหญ่ก็เดินสู้บุญคำไม่ได้แล้วละ่ะจึงไม่ได้ขึ้นไปเดินนำอยู่ข้างหน้าเหมือนเคยเพราะฉะนั้นบุญคำกับลุงอินก็นำหน้าไปแล้วกันนะแล้วก็อย่าให้ห่างจากรัศมีสายตาของพวกเราข้างหลังมากนักละ่ะโดยเฉพาะตอนที่มีมุมเนินบงังอ่ะเสร็จนายกูอีเที่ยวขากลับนี่หมดแรงสั่นแล้วแต่ก็หนาเห็นใจ เสียงตะคำบ่นอุบอิบอุบอิบมาโดยเจตนาจะให้ทุกคนได้ยินเชิงกระซ้าเย้าแย่เจ้านายของตัวเองรพินจุปากจึ๊กจักขยับจะเร่งฝีเท้าขึ้นไปเตะแกะสักกปากนณิแ ด, ดารินคว้าแขนไว้หัวเราะน่าอย่าไปจุ้งอะไรกับตะคำเลยคุณคุณก็เดินพร้อมๆกันเป็นหมู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละแลวก็นี่เป็นครั้งแรกนะที่คุณยอมเดินไปพรอมๆกับพวกเราทั้งหมด โดยไม่จำอ้าวแบบตามควายหายเหมือนเช่นทุกครั้งฉันอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆพวกเราทุกคนอย่างนี้แหละถ้าคุณเดินนําหน้าฉันและพวกเราทุกคนก็เดินตามไม่ทันอยู่นั่นเองจนกว่าคุณจะหยุดรออิตะคำนี่แกซนจริงนะถ้าไม่มีแกสักคนเดียวพวกเราคงจะเหงากันแย่แล้วก็เหงากันมาตลอดทั้งวันนั่นแหละสําหรับวันนี้สตาลีเอ่ยขึ้น ภายหลังจากสอบซักความถามเอาจากเชษฐาและอดีตทูตทหารบกอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดว่ามีการโต้ตอบกันยังไงระหว่างบุญคำรับพินและดาริมให้ตายเถอะนะแม้เราจะเดินร่วมหมู่กันมาเป็นจำนวนมากถึงขนาดนี้มันก็ยังเป็นการเดินที่เศร้าเงียบเงียบงงงๆยังไงบอกไม่ถูกมันดูเปรี้ยวใจยังไงพี่ก ทั้งๆ ท, ที่เราน่าจะร่าเริงกันที่สุดนะในเที่ยวขากลับนี่สินนายคิดบ่นออกมาบเบาพร้อมกระถอนใจเฮือก็ทุกคนเอาแต่เดินอย่างเดียวอะ่ะเหมืนไม่มีใครคุยอะไรกันเลยแม้กระทั่งสองสามีปัญญาที่เพิ่งจะแต่งงานกันน่ะเบลเอ่อยออกมาในเชิงบน่นหล่อนเองก็รู้สึกเหงาอยังไงบอกไม่ถูกสองสามครั้งหันไปพูดกับเชิญบุตดึกคริส ทั้งสองก็ได้แต่พูดคำตอบคำทุกคนทอดสายตาไปข้างหน้าแล้วก็เดินกันอย่างนักเดินป่าหรือนักไต่เขาอาชีพโดยไม่ยอมล่าช้าสีเวลาเลยทำอะไรสักอย่างสิเบร์ที่เธอคิดว่าจะทำให้พวกเรามีความรู้สึกที่รื่นเริงขึ้นมาได้ดารินส่งภาษาบอกมายิ้มยิ้มเบนป้องปากร้องตะโกนดังๆออกมาครั้งหนึง่ง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 ดังมายังเครื่องรับของระพินที่เปิดรับฟังอยู่ใครใครตะโกนเรียกหาเทวดานายไม่มีใครตะโกนเรียกเทวดาร้อกลุงคําแมมเบนก็แกล้งร้องตะโกนมีเสียงดังเล่นๆอย่างนั้นแหละแกเหนานะเชิดบุตรร้องตอบไปหนาวทำไมทำไมต้องหนาว บอกแมมเบนสิทังเหงาให้มาเดินก็อิคำได้นายทหารเชริดบุตก็ไม่น่าจะทำให้แมมเบนเหงาเวลาแกเหงาก็เอานิ้วจีสีข้างไงแกหัวรอะไว้เรื่อยๆจีถูกสีข้างนะยา้ถูกที่อื่นละ่ะเดี๋ยวพวกพ้องเขาจะหาว่านายทหารธรรมนาจาร์ต่อหน้าธารกรรมนั้นเสียงตะคำตอบมาเชิดบุตหัวรอก ก็มาได้เป็นครั้งแรกเช่นกันต่เบนทำหน้าตื่นเพราะเสียงจากวิทยุหล่อนจับกระแสคำพูดไม่ทันฟังไม่เข้าใจแจ่มชัดนักแต่เมื่อถามเชิดบุตรนายทหารหนุ่มก็ไม่ตอบว่าอะไรความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกพร้อมๆกับแสงตะวันที่เริ่มอ่อนจางลงเป็นลำดับท่ามกลางขุนเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจี และอ่อนนุ่มอันแวดล้อมอยู่รอบตัวกำลังวางแน่ป์อย่างบริเวณป่าสนในระหว่างหุกเขาตังจากหลุมอุกาบาทลงมาประมาณสองกิโลเมตรนอกจากนกบางพันและกวางขนยาวบางชนิดแล้วทั้งคณะที่เดินทางมาตลอดครึ่งวันนี้ไม่ได้พบปะสัตว์ชนิดใดเลยทั้งสิน้นและสัญชาตญาณล่าของทุกคน ดูเหมือนจะเหือดหายไปจากจิตใจหมดสิ้นแล้วแม้แต่พวกพรานพื้นเมืองเองยิ่งประกอบกับสเสบียงอาหารที่ได้รับมาอย่างพรักพร้อมเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครคิดที่จะยิงสัตว์ชนิดใดทั้งสิน้นนอกจากเดินไปพลางก็ชมธรรมาชาติของขุนเขาลำนาวไพรไปพลางเท่านั้นหลังอาหารที่รับประทานร่วมกันเป็นกลุ่นใหญ่เสร็จสิ้นลงก็มืดสนิทพอดี รบินสั่งให้ก่อกองไฟตามปกติไว้ทั้งสามด้านและในระหว่างที่พวกเขากฝ่ายอเมริกันนั่งสูบบุหรี่ผิงไฟสนทนากันก่อนเข้านอนนั้นก็สังเกตถึงคริสตินาแยกตัวออกไปก่อกองไฟเล็กๆขึ้นกองห่งหางจากกลุ่มของพักพวกทุกคนออกไปประมาณ15ห้าเมตรภายใต้สนภูเขาอันเป็นบริเวณที่ราบเรียบตำแหน่งหนึ่งแล้วนั่งขัดสมาธิ ทรงตัวตรงแนวนิ้งไม่ติ่งไก่เหมือนท่อนไม้อยู่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มร่วมสนทนาด้วยใดๆทั้งสิ้นหลายๆคนรู้ว่าหล่อนกําลังแสวงเข้าหาสิ่งใดแต่เบรลคิดอาจจะไม่ทันคิดทั้งสองหันไปมองและทําท่าจะตะโกนเรียกทักแต่เชิดบุตรและสแตลลีคว้าแขนไว้ได้ทัน รอยเขาตามสบายเหอะขณะ น, นี้คริสกำลังอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วแล้วนั่นเขาจะนั่งอยู่อย่างนั้นในท่านั้นตลอดคืนโดยแยกจากกลุ่มพวกเราเออกไปตามลำพังอย่างนั้นเหรอเบลเอ่ยถามขึ้นด้วยสีหน้าตื่นตื่นอย่าห่วงหรือมีวิตกกังวลอะไรเลยบบเบลเทถาเป็นคนกล่าวตอบขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลของเขา ขณะที่สายตาจับไปยังร่างอันนั่งนิ่งราวกับจะเป็นซากอันปราศจากวิญญาณหน้ากองไฟเล็กๆนั้นคริสเขาปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างที่เคยปฏิบัติปล่อยให้เขาได้นั่งสงบจิตเข้าสมาธิเถอะเข้าใจว่าเมื่อถึงเวลานอนพักเขาก็คงจะละจากสมาธิแล้วก็มานอนร่วมกับพวกเราตามปกติ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 ระหว่างที่เรายังนั่งคุยกันอยู่นี่ก็ควรจะเหลือบเหลือไปทางคริสบ้างกันแล้วกันเพื่อความไม่ประมาทเพราะเป็นนั่งอยู่ตามลําพังคนเดียวแล้วก็ห่างจากเราพอสมควรช่วยพลาดพลั้งมีอะไรย่องเข้ามาเราจะสกัดกั้นกันไม่ทันวางใจนะครับคุณหญิงสมมุติว่าป่าแถบนี้จะมีเหลือบยุงหรือรินไรเจ้แาแมลงพวกนั้นก็จะไม่เข้ามาแพรวพานใดๆคริสได้เลยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปคำนึงถึงสัตว์ร้ายอื่นๆในสีเวลาหรอกครับเลพินบอกและทำหน้าที่อธิบายทิศทางให้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันของเ้าทราบว่าเส้นทางเดินจะมุ่งไปยังทิศใดบ้างเพื่อทราบล่วงหน้าผมจะพยายามเอาพวกท่านทุกคนให้ออกพ้นรัศมีเทือกพระศิวะและป่าดำให้เร็วที่สุดครับเดินกันมาเพียงแค่ครึ่งวันของวันนี้เรายังอยู่ในรัศมีขอบเขตของเือกพระศิวะอยู่ครับ สแตนลีและคิดสอบถามอะไรเกี่ยวกับเส้นทางเขาจนกระทั่งเป็นที่พอใจแล้วก็หันไปร่วมคุยกททับเชษฐาอนุชาและชยันถึงเรื่องอื่นๆสารพัดเรื่องอันส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับนคร ล, ลับแลที่ทุกคนเพิ่งจะเดินทางผละอจากมา ระหว่างนั้นดารินผู้นั่งอยู่บนขอนไม้ยาวท่อนเดียวการะพินก็ถือโอกาสสนทนากับเขาเบาๆตามลำพังสองต่อสองโดยปล่อยให้บุคคลอื่นๆสนทนากันไปนี่คุณคุณเคยคิดแปลกใจอะไรอย่า ง, างฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเรื่องอะไรล่ะครับคุณหญิงตามปกติแล้วนี่แงซ า, ายฤาจักราชเป็นคนที่มีสัจจะที่สุดคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ เงซ า, ายเป็นคนรักษาสัจวาจาที่สุดในทุกเรื่องครับข้อนี้ผมยอมรับเขาตอบทั้งสองคุยกันเองด้วยเสียงกระซิบเออแล้วคุณจำได้ไหมก่อนที่เราจะลาจากเข้าในครั้งก่อนโน้นอ่ะฉันหมายถึงที่เรามาก็เมื่อครั้งก่อนเขาได้บอกอะไรกับพวกเราไวอ้อ่ะมันก็มีหลายเรื่องและคุณหญิงหลายเรื่องเหลือเกินถ้าคุณหญิงหมายถึงเรื่องอะไรโดยเฉพาะเจาะจงลงไป ก็ต้องเตือนระลึกผมหน่อยนะครับตอนนั้นน่ะแง่ท า, ายเขาบอกว่าภายหลังจากที่พวกเราจากมรกรนครมาแล้วเขาจะให้สถาปนิกสร้างอนุสาวรีย์ของพวกเราทุกคนไว้โดยประดิษฐานไว้ตรงหน้าสนามชัยแม้กระทั่งบุญคำจันเกิดเสยแล้วก็ขยินยกเว้นสังปาคนเดียวที่เขาขอตัวไว้เพื่ออยู่กับเขา ราพินยิ้มออกมานิดนึงอย่างเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้โอใช่ครับใช่เขาบอกพวกเราไว้อย่างนั้นแหละคุณความจริงฉันไม่ได้ต้องการจะเห็นอนุสาวรีย์หรือภาพปั้นของตัวเองที่หน้าสนามชัยนั่นหรอกนักคุณแต่ก็อดสงสัยไม่ได้เราผ่านสนามชัยกันแทบจะทุกวันแต่เรามองไม่เห็นอนุสาวรีย์หรือภาพปั้นของพวกเราคนใดเลยคุณสังเกตไหมพรานใหญ่ยิ้มกว้างออกไปอีก เอาเข่ากระทบเขาหญิงสาวเบาๆแล้วกระซิบบอกว่าคุณหญิงครับโดยความจริงแล้วเรื่องนี้ผมก็ลืมไปซะแล้วด้วยซ้ําครับแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะสังเกตอะไรหรอกแต่แง่ซ้ายเองนั่นแหละที่เป็นคนมาพูดเรื่องนี้กับผมตอนที่เรามาถึงมรกรนครครั้งที่สองนี่เขาบอกกับผมว่าในเรื่องนี้นะ่ะเขายังจดจําได้เสมอไม่เคยลืมเลย แต่โหนประจําราชสํานักนั้นได้ทักทวงเขาไว้ว่าการสร้างอนุสาวรีย์น่ะหมายถึงเป็นที่ระลึกของบุคคลที่ล่วงลับหรือตายไปแล้วแต่พวกเราทุกคนยังมีชีวิตยอยู่จึงยังไม่สมควรที่จะสร้างขึ้นและสาเหตุนี่เองแหะครับเขาจึงจําเป็นต้องระงับความคิดนี้เอาไว้แต่คุณหญิงไม่ได้สังเกตนะครับว่าการที่เราย้อนกลับมายังมรกกรนครครั้งนี้อีกครั้ง แงซ า, ายให้จิตรกรวาดภาพพวกเราทุกคนโดยละเอียดเอาไว้เฉพาะพวกเรานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอเมริกันพวกนั้นคนหนึ่งคนใดเลยอายุของชาวมรกนครจะยืนยาวกว่าพวกเรามากอย่างน้อยก็กว่าหนึ่งเท่าตัวผมคิดว่าสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าที่พวกเราแก่ตายกันไปหมดแล้วและตัวเขาเองยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิม เขคงจะสร้างอนุสาวรีย์ของพวกเราทุกคนไว้ที่สนามชัยอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าชาติหน้าพวกเราได้มีโอกาสย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้วก็คงจะได้เห็นอนุสาวรีย์ภาพปั้นหรือแกะสลักของพวกเราแน่ๆละ่ะสำคัญว่าชาติหน้าคุณหญิงจะสามารถระลึกชาติได้เหมือนชาตินี้หรือเปล่าเท่านั้นแหละทําไมล่ะครับมีพวกเราคนไหนพูดเรื่องนี้กับคุณหญิงเลยครับดารินทร์สันสีสัน ยิ้มออกมาขันขๆเปล่าหรอกไม่มีใครมานั่งสนใจจําหรือจดจําอะไรอย่างที่ฉันพูดให้คุณฟังหรอกไม่มีใครถามด้วยก็มีแต่ฉันคนเดียวแหละที่คิดอยู่แต่เมื่อมาได้รับคําอธิบายจากคุณอย่างนี้ฉันก็เข้าใจแล้วและนี่ฉันก็แอบถามคุณตามลําพังเท่านั้นแหละไม่ได้เคยพูดกับคนหนึ่งคนใดทั้งสิน้นเอาละพวกเราดูเหมือนเตรียมท่าจะนอนพักกันแล้ว คุณไปตามคริสกลับมาได้แล้วละ่ะตกลงครับผมจะไปตามให้แต่ขอเรียนให้คุณหญิงทราบล่วงหน้าสักก่อนอย่างหนึ่งนะครับอะไรเหอรอรพินขณะ น, นี้เราอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลานอนคุณหญิงอย่ามัวกังวลผมไปนอนอยู่ที่ไหนยังไงหรือลุกขึ้นไปทําอะไรมั่งนะหน้าที่พรานําทางที่จะต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตของเจ้านายของผมมันยังไม่หมดสิ้นนะครับ ถึงเวลานอนคุณหญิงก็นอนรวมกับพวกพี่ๆทั้งหลายเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาแล้วกลุ่มนายจ้างทั้งหมดเขาก็จะนอนกันอยู่ใจกลางวงล้อมของพวกผมและพวกลูกหาบทั้งหลายเรายังประมาทอะไรไม่ได้ครับจนกว่าจะถึงบ้านแน่นอนแล้วซะก่อนดารินพยักหน้าลงอย่างว่าง่ายประกายตาที่แลจับมายังเขาช้ำไปด้วยแววแห่งความชื่นชมสนิทเสน่หาตกลงคะ่ะรพิน ฉันเข้าใจคุณและภาระหน้าที่สำคัญของคุณเสมอแหละแล้วคุณก็คงทราบอยู่แล้วว่าฉันน่ะไม่สำออยหรืออเซาะนักหรอกชื่นใจครับคุณหญิงคุณหญิงไม่ทำความลําบากใจอะไรให้ผมเลยอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่าคุณหญิงดารินวราฤทธิ์ไม่ใช่ดารินไพรวันต่างหากละ่ะหล่อนท้วงเอาไว้ถูกต้องตามกฎหมายซะก่อนดีกว่าครับคุณหญิง ตอนนี้อยากจะให้เป็นวราริทไปก่อนขอรับรองครับว่าถึงยังไงคุณหญิงมีโอกาสได้ใช้นามสกุลเปินเปินของผมแน่แลครับพูดแผ่วเบาได้ยินกันเพียงสองคนจบประโยคแค่นั้นตะพินก็ลุกขึ้นยืนบอกกับทุกคนว่าเทมพักได้แล้วครับพรุ่งนี้และ ว, วันต่ อ, ตอไปเรายังจะต้องเดินกันหนักนักถึงแม้ว่าอาจจะสบายกว่าขามาก็ตาม เดี๋ยวผมจะไปตามคริสนะครับว่าแล้วจอมพลานก็เดินผลักจากคณะที่นั่งผิงไฟกันอยู่เดินด้วยฝีเท้าเบากริบตรงไปยังคริสติน่าผู้นั่งเข้าสมาธินิ่งอยู่เขามาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังของหล่อนคริสติน่ายังคงนั่งเฉยเหมือนไม่สังเกว่ามีใครมายืนอยู่ชิดตัวด้านซ้ายข้างๆกายของหลอน เอ็มสิบหกประจำมือวางราบอยู่บนพื้นระพินค่อยๆก้มลงหยิบปืนประจำตัวของหล่อนมาถือไว้อย่างเงียบเชียบแม่ผมทองก็ยังไม่ติงกายเขาปลดแม็กกาซีนปืนออกมาอย่างแผ่วเบาในแม็กนั้นว่างเปล่าไม่ได้มีกระสุนบรรจุอยู่เลยแม้แต่ซักนัดเดียวขยับดูลูกเลื่อน ดูในรังเพลิงก็พบว่ามันว่างเปล่าเช่นกันหัวคิ้วเขาขมวดเข้าหากันนิดหนึ่งอย่างพิศวงนี่แปลว่าตลอดครึ่งวันของวันนี้คริสติน่าเดินทางมาพร้อมกับคณะลอนสะพายปืนเปล่าปราศจากระสุนเช่นนั้นเหรอก้าวล้ำไปทางเบื้องหน้าหลอนอีกเก้าหนึ่งจึงเห็นได้ถนัด ว่าคริสตินานั่งในลักษณะขัดสมาธิเพชรฝ่ามือขวาแบซ้อนอยู่บนฝ่ามือซ้ายและวางอยู่บนตักแสงไฟที่ก่อไว้เบื้องหน้าสาดจับใบหน้าของหลอนแลดูเหมือนนักบุญดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทและในทันทีนั้นทั้งๆ ท, ที่ดวงตาทั้งคู่ยังพริ้มปิดสนิทและไม่ได้ขยับกายอันแนวนิ่ง กระดุดท่อนหินนั้นเลยเสียงแผ่วเบาก็ดังออกมาจากริมฝีปากของคริสติน่าว่าครูจะมาเตือนให้ฉันกลับเข้านอนใช่ไหมใช่เขาตอบเสียงเบานุ่มว่าแต่นี้นะคริสปืนของคุณไม่มีกระสุนอยู่เลยสักนัดนะเนี่ยใช่ค่ะครูก็ฉันไม่ได้บรรจุไว้เลย มันก็ไม่ควรจะมีนี่คุณสะพายปืนเปล่าติดตัวมาตลอดไม่เคยบรรจุกระสุนเลยตั้งแต่อยู่ในมรกรกนครแล้วยังงั้นเหรอคุณใช่ค่ะมันหมายความว่ายังไงเนี่ยคริสขณะนี้เรากำลังอยู่กันกลางป่านะคุณครูคะจะกลางป่ากลางเมือง หรือที่ไหนไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันหมดภาระในการที่จะต้องใช้อาวุธแล้วไม่ว่าจะในด้านใดทั้งสิ้นทุกสภาวะค่ะครูเอาละคริสผมเข้าใจคุณว่าคุณละแล้วในเรื่องเข็นฆ่าทาลายหรือป้องกันตัวด้วยอาวุธเมื่อเป็นอย่างนี้คุณสะพายมาทำไมให้มันหนักอ่ะควรจะมอบส่งให้กับพวกลูกหาบหรือมัดรวมเก็บไว้กับสัมภาระส่วนกลางซะ แล้วคุณก็เดินมาตัวเปล่ามือเปล่าจะไม่สบายกว่าหรือฉันไม่ต้องการมอบภาระนี้ให้แกใ่ใครกับครูอดีตมนันเป็นปืนของฉันฉันก็ต้องรับภาระสะพายมันมาด้วยทำงบส่งให้พวกลูกหากอย่างน้อยมันก็ไปเพิ่มน้ําหนักให้แกเขาอีกประการหนึง่งฉันยังไม่ต้องการจะให้ใครมองฉันผิดปกติผิดสังเกตไปจึงต้องให้มันมาอยู่กับฉันตามปกติตลอดเวลา นี่คริสคุณไม่มีอาวุธใดๆติดตัวคุณอยู่ในขณะนี้เลยสักอย่างเดียวอย่างงั้นเหรอใช่คะ่ะไม่มีแม้แต่ปืนสั้นสักกระบอกหรือมีดสักเล่มนอกจากกัรไกรตัดเล็บเท่านั้นแหละครูคะขอความการุณาอย่าได้บอกให้ใครรู้เป็นอันขาดนะคะว่าปืนของฉันตอนนี้อ่ะมันเป็นเพียงแค่เศษโลหะท่อนหนึง่ง ฉันจำเป็นจะต้องถือติดมืออยู่ให้พวกเขาเห็นแค่นั้นแหละถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาล่ะคุณก็มันเกิดไปสิคะครูฉันไม่จําเป็นต้องมีอะไรไว้ต่อสู้หรือป้องกันตัวเองทั้งสิ้นแล้วนี่แต่คุณก็อาจจะได้รับอันตรายนะคุณที่มาคิดปลดอาวุธตัวเองกลางป่าลึก อ, อย่างนี้ค่ะครูถ้าได้รับอันตราย หรือแม้แต่กระถึงกชีวิตนั่นก็คือกรรมเก่าของฉันที่ติดตามมาทันในชาตินี้ค่ะคริสคุณเข้าถึงสัจธรรมแล้วนะเนี่ยค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ฉันเพียรพยายามไขว่คว้าแสวงหาอยู่ในขณะ น, นี้แต่รู้สึกว่ายังห่างไกลยอยู่มากละค่ะฉันจะต้องมีความมานะอดทนยิ่งกว่านี้ค่ะครู ผมขออานุมโมทนาด้วยจากใจจริงอะคุณถ้าเะนั้นปืนกระบอกนี้ผมขอไว้นะคุณคุณไม่ต้องเป็นภาระสะพายหรือถือติดมืออยู่ให้มันหนักอีกแล้วละ่คคะครูขคารุณาอย่าทำสิ่งใดให้เป็นที่ผิดสังเกตยอย่างที่ฉันได้ขอร้องไว้เลยฉันไม่อยากตอบคำถามอันโง่เขาของใครโดยการที่ตัวเองทำตัวให้เกิดเป็นปัญหาขึ้น คืนดุลโลหะที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้เพื่อเข็นฆ่าทำลายกันดุ่นนั้นให้กับชั้นเถอะกันครูตกลงผมจะคืนให้คุณแต่คุณก็ควรจะละจากสมาธิและกลับเข้าไปรวมกลุ่มพักผ่อนกับพวกเราได้แล้วละ่ะคริสคริสติน่าลืมตาขึ้นช้าๆประกายตาสีฟ้าคู่นั้นใสกระจ่างพร้อมกับลุกขึ้นยืนรับพินส่งมือไปให้ แต่หล่อนไม่จำเป็นต้องอาศัยมือที่ยื่นส่งไปให้ของเขาเพียงแต่เอื้อมมือมาคว้าเอ็มสิบหกไปถือไว้ตามเดิมถอนใจยาวลึกพึพมพำออกมาว่าครูคะปลอดโปร่งสบายเหลือเกินแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆก็ตามไปคะ่ะครูเรากลับเข้าแคมป์ได้แนละ้วคืนนั้น ทุกคนทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายไทยรวมแล้ว9คนนอนเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มระหว่างกองไฟขนาดทั้งสองด้านเพื่ออาศัยไออุ่นโดยเฉพาะสามสาวดารินคริสติน่าและเบลเข้ามานอนเบียดอยู่ใกล้ชิดกันโดยมีดารินนอนอยู่ตรงกลางเพื่อสนทนากับเพื่อนสาวอเมริกันทั้งสองก่อนที่จะพากันหลับไปยกเว้นระพินคนเดียว ที่ไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มกับเจ้านายทั้งสองคณะเขาเดินตรวจตราดูแลรอบๆ บ, บริเวณอันเป็นที่พักนอนของพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบ26คนจนแน่ใจว่าเหมาะสมถูกต้องพอที่จะไว้วางใจต่อสถานการณ์ได้แล้วก็เรียกบุญคำขยินและหนานอินมาปรึกษาหารือในแผนเดินทางวันรุ่งขึ้นอีกครู่เดียว ก็สั่งให้คนเหล่านั้นเข้านอนทุกคนนอนได้ทั้งหมดไม่ต้องมีเวรยามแต่ขอให้นอนหูไวหน่อยแล้วกันแล้วถ้าใครตื่นขึ้นมาเห็นกองไฟกองใหญ่น้ำมอดก็ช่วยสูงให้มันลุกเป็นไฟรุ่งแล้วกันระพินสั่งเป็นประโยคสุดท้ายและตนเองก็เลือกหาชายภูมิบริเวณใกล้เคียงกับพวกลูกหาบทั้งหลายเอนกายลงนอนในสภาพปกติ